งั้นผมขออนุญาตถามอาจารย์ประมวลจากสิ่งที่พี่ประสานบอกเมื่อสักครู่ว่าอย่างกรณีอย่างพี่ประสานเนี่ยไม่ได้กุติที่ต้องการเบอร์สิบสี่พี่ยังพังึดพั ง, งัดอยู่สามวันอย่างอาจารย์ประมวลเนี่ยอาจารย์เคยมีอารมณ์แบบนี้ไหมคะมันจะเป็นคําตอบที่น้ำตื่นเต้นนะก็ะคือในปกติชีวิตของผมก่อนหน้านี้ก็แบบที่คุณประสานพูดเนี่ยครับเราจะมีความวาดหวังว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้จะเป็นของเราเมื่อไม่ได้ดังที่เราคิดเราก็ ผมก็จะว่าความหวังนี้มีอยู่ในใจของคนทุกๆคนอย่าพูดถึงในความหมายเพียงแค่เป็นกุฏิหรือเป็นบ้านหรือเป็นที่อยู่อาศัยเลยแม้เพียงแค่เรารู้จักเพื่อนสักคนหนึ่งหรือ <Okay. S 1> พบใครสักคนหนึ่งเราก็มีความวาดหวังอยู่ในใจและความวาดหวังนี้นะทำให้รู้สึกผิดหวังเขาให้สิ่งที่ควรจะได้มากพอแล้วแต่เรายังคิดว่าน้อยกว่าที่เราหวังเราก็เป็นทุกข์แล้วและเราก็ตําหนิเขาแล้วนึกถึงภาพนะครับเขาให้เราตั้งมากมายแล้วแต่ก็ให้น้อยกว่าที่เราคิดว่าจะได้อะ ยังเป็นความผิดเลยความผิดของเขาอ่ะและความความผิดของเราอ่ะที่เราได้น้อยกว่าที่ต้องการเมื่อเราาเป็นคนซึ่งมีความรักต่อกันและกันนี่ผมพูดกรณีของข้อเท็จจริงในชีวิตของเราตอนที่เราเป็นแฟนกัน ร, รักกันเหลือเกินแต่พอไปอยู่ด้วยกันเรายังผิดหวังจากกันและกันเลยเพราะเราคาดหวังความรักจากเขามากกว่านั้นแล้วก็ให้เราน้อยไปกว่าที่เราคาดหวัง <S <S และเรารู้สึกเลยว่าเขาไม่น่ารักเลยเ<ๆ>ขาให้ความรักเราน้อยไปความรู้สึกแบบนี้ครับเป็นความรู้สึกที่ทําให้ เมื่อคนสองคนมาอยู่ด้วยกันแทนที่จะเติมเต็มความหมายของชีวิตให้แก่กันและกันต่างก็มาแย่งชิงและลดทอนคุณค่าของกันและกันจนกระทั่งกลายมาเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างไม่มีความสุขผมเข้าใจว่าถ้าเราสามารถทําให้เกิดความรู้สึกได้เมื่อที่คุณประสานพูดแต่ไม่จําเป็นจะต้องเป็นเรื่องกุฏิหรือไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องอาหารการกิน <Okay. S 1> แต่เรามีความรู้สึกได้ถึงความหมายของชีวิตที่เรามีชีวิตอยู่เพื่อจะให้กับคนอื่นความรู้สึกแบบนี้ต่างหากครับที่ทําให้เรามีความสุขเละเกินที่ได้ให้ แต่ถ้าเรามีชีวิตอยู่เพื่อต้องการจะได้จากผู้อื่นเราก็จะมีทุกข์อยู่ร่าไปเพราะแม้เขาจะให้สักเพียงไรเราก็ยังเลืกว่าน้อยกว่าที่เราต้องการและความรู้สึกที่มันเป็นความอยากได้แบบนี้นะครับที่เราพูดถึงการปฏิบัติธรรมที่เราพูดถึงความหมายเมืกก่อตะกี้ที่เราพูดถึงเรื่องการเห็นทุกข์นะครับ <c oughs> จริงๆทุกข์เนี่ยเป็นอริยสัจคือเป็นความจริงอันประเสริฐที่เราจะต้องรู้แต่ความหมายที่สําคัญเวลาเรารู้ทุกข์แล้วเนี่ยครับเราจะต้องทําให้มีความหมายเห็นที่มาของความทุกข์ และที่มาของความทุกข์เนี่ยที่เราเป็นสิ่งที่เราต้องละที่เรียกว่าสมุทัยนะครับเพราะนนั้กระบวนการที่เราพูดกําลังเห็นทุกข์จริงๆมันเห็นที่เกิดของทุกข์นะครับและเมื่อเห็นที่มาของทุกข์เราจึงสามารถที่จะละสามารถที่ทําให้สิ่งที่มันเป็นที่มาของความทุกข์นั้นนะครับความอยากคือตัณหาเนี่ยครับคือที่มาของความทุกข์เพราะฉะนั้นในตัวสมุทัยที่เราพูดถึงว่าเป็นความจริงอันประเสริฐข้อที่2คือทุกข์แล้วก็ต้องมีสมุทัยในตัวสมุทัยที่เรียกว่าตัณหาเนี่ยครับจึงเป็นที่มาของความทุกข และตัวตันหานี่ยครับถ้าเราไปสามารถทําความกระจ่างชัดเห็นมันได้แล้วเนี่ยเราก็จะละมันได้ออมแปลกใจตั้งแต่อาจารย์ประมวลบอกว่าอาจารย์ประมวลก็คือออมเข้าใจว่าคนเราทุกคนไม่ค่อยต่างกันแต่ไม่นึกว่าอาจารย์ประมวลจะมีอารมณ์อย่างที่ประสานมีครับมีมีมากกว่าคุณมีมากกว่าคุณประสานนี่เพราะว่ <c oughs> าดูว่าอาจารย์นี่แบบ <c oughs> คู่ <c oughs> มากคือสมัยที่เราสแสวงหาเนี่ยนะครับที่เราโกรธคนนี้ที่เราเกลียดคนนั้ น, นอาจารย์โกรธคนเป็นด้วยเหรอ จกกนกระทั่งในสมัยที่ผมทํางานอยู่เนี่ยผมมีความรู้สึกเลยว่าทําไมช่วยอย่างนี้จึงต้องเกิดมาร่วมโลกกับคนคนนี้ทำแมั น, นี้ยแล้วผมรู้สึกได้เลยว่าผมขอโทษนะครับด้ความสัตย์จริงด้ความสัตย์จริงวันที่ผมกล่าวกับนักศึกษาที่ผมต้องการจะยุติการเป็นครูในมหาวิทยาลัยผมพูดกับเขาได้เสียงสันส่นๆว่าขอให้พ่อเขาได้โปรดเห็นใจและเข้าใจผมเถิดผมรู้ว่าอะไรดีผมรู้อะไรชั่ว ความโกรธความเกลียดคนอื่นนั้นเป็นความชั่วผมรู้อย่างเต็มเปี่ยมด้วยความคิดแต่ผมไม่สามารถละได้สิ่งที่ผมอยากจะทํานับจากนี้ไปผมอยากจะหาความรู้อีกชุดหนึ่งความรู้ชุดที่ผมทําให้ผมรู้ว่าเมื่อความโกรธความเกลียดนั้นเป็นสิ่งไม่ดีผมจะสามารถละได้นี่คือความหมายที่ผมรู้ดีครับว่าทําไมผมจึงต้องพยายามแสวงหาความรู้อื่นผมรู้ว่าความรักความเมตตาคนอื่นน่ะเป็นสิ่งที่เป็นความดีสูงสุดในชีวิตของมนุษย์แต่ผมรักคนคนนั้นไม่ลงอ่ะครับ ผมรักเขาไม่ลงผมรักไปลงยังต้งผมแสดงความโกรธความเกลียดจนเพื่อนร่วมงานของผมรู้ไปทั่วหมดผมถึงกับประกาศบอกว่าถ้าทางมาอะไรหรือทางคณะต้องการให้ผมทําอะไรอย่าตั้งคนนี้เป็นกรรมการร่วมกับผมนะถ้าตั้งเขาแล้วไม่ต้องมาตั้งผมเพราะว่าผมจะไม่เป็นกรรมการชุดนั้นอีกแล้วถ้าคนคนนั้นเป็นเพรา ะ, ะนั้นก็เลือกเอาว่าจะเอาผมทํางานหรือเอาเขาทํางานผมไม่มีทางเลือกมากกวา่านี้ อ้อมรู้สึกดีขึ้นมาเลยนะคะว่าถ้ า, ถาอย่างน้อยในชีวิตอ้อมจะโกรธใครบ้างก็ไม่ผิดแล้วเพราะว่าอย่างอาจารย์ประมวลยังโกรธอ่ะเหอะดูใจเย็นขนาดนี้แสดงมันทําให้เห็นว่าไม่ว่าคุณจะผ่านอะไรมามันเป็นเรื่องปกติไอ้รักโลกโกรธหรือมันเป็นเรื่องปกติเท่านั้นแล้ววันนั้นอาจารย์ไม่อยากจะเห็นหน้าไม่อยากจะร่วมถ้ามีคนนี้ไม่มีเราอาจารย์รู้ตัวไหมคะว่าอาจารย์ทุกข์แค่ไหนตอนนั้นไม่รู้ตัวเลยครับตอนนั้นมีความรู้สึกว่าต้องเป็นเช่นนี้ต้องทําอย่างนี้ ต้องเป็นเช่นนี้ต้องทําอย่างนี้ต้องโกรธต้องเกลียดเขาเนี่ยแล้วเพราะเขาเป็นคนน่าเกลียดนะครับเขาไม่จะเป็นคนน่ารักขอโทษนะครับผมแล้วผมก็จดจนกระทั่งผ่านไปนานหลังที่ผมออกมาใช้ชีวิตแบบนี้โดยที่ไม่ต้องไปสนใจอะไรกับหน้าที่การงานอีกแล้ววันหนึ่งที่ผมพบเขาและผมลืมเนื้อลืมตัวถลาไปนั่งคุกเข่าอยู่ต่อหน้าเขายกมือไหว้เขาผมจึงรู้สึกได้ว่าโอ้ช่างเป็นสิ่งมหาจรั์ ที่มันมีภาวะนี้เกิดขึ้นในใจผมได้ผมรู้สึกได้ถึงความหยาบความเผ็ดความร้อนของความรู้สึกที่เคยคุกคามเคยเป็นเคยเป็นบ้านผมอ่ะ <Okay. S 2> นึกถึงภาพกันแล้วกันว่าเรากลับบ้านนะครับแต่บ้านเรามีหลายประเภทนะครับ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกําลังพูดถึงก็คือผมรู้สึกได้ถึงความหมายแห่งชีวิตที่ในอดีตเราเคยอยู่กับความร้อนนี้มาเป็นเวลาเนิ่นนา น, าน ในวันหนึ่งเมื่อผมสํานึกได้ว่าช่างเป็นสิ่งที่น่าละอายช่างเป็นสิ่งที่น่าตําหนิเป็นที่สุดที่ผมมีความรู้เช่นนี้ต่อบุคคลคนหนึ่งซึ่งเขาก็เป็นบุคคลที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีความรู้มีความสามารถทําไมผมจึงบังอาจที่จะไปเกลียดเขาได้มากขนาดนั้นนี่เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจผมและความรู้สึกแบบเนี้ ที่ผมมีความเข้าใจว่าผมอยากให้ทุกท่านทุกคนได้รู้ว่าวันหนึ่งเมื่อเราออกจากบ้านแห่งความโกรธมาอยู่ในบ้านแห่งความเมตตาปราณีได้เขาจึงเรียกพรหมวิหา <Okay. S 1> รธรรมเพราบ้านอันเป็นที่อยู่อันสงบเย็นเป็นสุดพรหมวิหารธรรมที่ว่าเนี่ครับจึงต้องการให้คนอยู่ใช่ไหมครับในบ้านหลังนี้ครับซึ่งบ้านหลังนี้เราจะต้องสร้างขึ้นมาในเนื้อในตัวเราใ น, ในใจเรานะครับนะคะแสดงว่าคนเรามันมักจะต้องผ่านทุกข์มาก่อนจึงจะเข้าใจใช่ ก็คือความทุกข์ที่เราบอกว่าทันที่เรานั่งตรงนี้เป็นใครก็ไม่เกี่ยวนะครับขอให้เราโปรดรู้เถอะว่าสิ่งสภาวะที่เป็นความทุกข์นั้นคือความจริงอันประเสริฐไม่ว่าเราจะรู้ความจริงที่มากมายหลากหลายความจริงที่ลึกซึ้งสูงส่งสักเพียงใดแต่ความจริงที่ประเสริฐที่สุด คือทุกที่เรากำลังเสพเสวยอยู่ณขณะปัจจุบันนี้และถ้าเรารู้ความจริงอันประเสริฐนี้นะครับนั่นคือหนทางที่สำคัญสำหรับชีวิตมนุษย์ทุกสคนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเมื่อทรงแสดงธรรมเป็นครั้งแรกท่านจึงทรงแสดงอริยสัจว์4ประการคือทุกสมุทัยนิโรธมรรคเพื่อเป็นประกาศธรรมครั้งแรกให้รู้ว่าสภาวะธรรมที่พระองค์ตรัตตรูนั้นคืออะไร และธรรมที่พระองค์รตรัสรู้นั้นคืออริยสัจสีที่ประกาศครั้งแรกกับบรรดาฤาษีทั้ง5ท่านที่ท่านไปแสดงธรรมค่ะและทีนี้การที่เราเข้าใจว่าหลายๆคนมักจะเข้าใจว่าเรานั้นมีแต่ความสุขมันเลยทําให้มันเหมือนกับว่าอาจจะไม่เจอทุกไม่เห็นทุกหรือหลบทุกอยู่อาจารย์ว่าเขาควรจะต้องรับมือมันยังไงคะที่เข้าใจว่าตัวเองนั้นสุขตลอดเวลาคือมันมีความเพลิดเพลินในชีวิตครับ ควาเพลิดเพลินในชีวิตทําให้เรารู้สึกมีความสุขเนาะแต่ความจริงแล้วสะภาวะทุกเนี่ยขอโทษนะครับมีคําที่ผมต้องแยกสภาวะทุกก็คือสิ่งที่มันมีอยู่โดยปกติและสะภาวะเราเรียกว่าทุกเช่นการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยนะครับทีนี้การเกิดเจ็บตายที่เป็นสภาวะทุกเนี่ยแม้เราจะไม่รู้สึกในตอนนี้แต่เดี๋ยวมันก็จะรู้สึกเราลองนึกถึงภาพสิครับพระพุทธเจ้าเราตอนที่ยังเป็นสิทธัตถกุมาร เมื่อพระองค์ถูกปกปิดว่าไม่ได้เห็นความแก่ความเจ็บความตายแต่วันหนึ่งพระองค์ก็ทอดศาสนาเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและทันทีที่รู้ว่าคนนี้คือคนแก่คนนี้คือคนเจ็บและคนนี้คือคนตายและรู้ว่าตัวเองก็จะเป็นเช่นนั้นในวันหนึ่งข้างหน้าไม่นานจากนี้ไปความทุกข์ก็ท่วมทับในหัวใจจนสุดท้ายพระองค์ในความที่เป็นพระมหาบุรุษจึงออกสเสด็จออกภาษาพระท่นานใช้คำโก้รู้ว่าสเสด็จออกมหาพิเนสกรมแต่ว่าออกสแสวงหาความหลุดพน้นครั้งใหญ่ และสุดท้ายพระองค์ก็พบทางหลุดพ้นและทางหลุดพ้นที่พระองค์ทรงค้นพบจึงกลายมาเป็นหลักคําสอนเป็นพระพุทธศาสนาอยู่ในปัจจุบันหลักปฏิบัติของพระพุทธศาสนาที่เรานํามาปฏิบัติที่มีธรรมะมากมายหลายประการจะทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยครับก็คือเพื่อออกมาจากสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ความทุกข์ ท, กที่หมาความว่าสภ า, าวะทุกข์นี้ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับพระพุทธเจ้าก็ยังแก่ยังเจ็บและตาย แต่ตอนก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพานพระองค์มีความปิติเบิกบานมีความสุขเป็นล้นพน้นนึกถึงภาพไหมครับพระพุทธเจ้าเมื่อรู้ว่า3เดือนนับจากนี้ไปจะตายว่างนั้นนะครับจึงประกาศต่อหน้าพระพิสูุสงเป็นจำนวนมาก เพื่อบอกให้รู้ว่าตถาคตจะรงดับขันทัศนิพานสามเดือนนับจากนี้ไปชวนพระภิกษุเดินออกจากเมืองไผ่าลียังชวนพระภิกษุมาทอดทัศนาเมืองไผ่าลีว่าดูสิเมืองนี้ช่างงดงามแต่เราจะไม่ได้อยู่ในเมืองนี้อีกแล้วจะจากเมืองนี้ไปแล้วจะไม่ได้กลับมาอีกแล้วความรู้สึกแบบนี้เป็นความรู้สึกที่มีความหมายที่ลึกซึ้งยิ่งใหญ่ความรู้สึกแบบนี้ น, นะครับซึ่งพระพุทธเจ้าอาจจะไกลไปเรากลับมาดูหลงพ่อคำเขียนครูของเราหลวงพ่อคำเขียนซึ่งเป็นสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าท่านก็สแสดงให้เราเห็นว่าท่านมีชีวิตอยู่ แล้ท่านก็จากพวกเราไปคําพูดของหลวงพ่อคำเขียนจึงเป็นข้อเขียนสั้นๆที่ผมไปนั่งดูวันที่ไปคารวะร่างสังขารหลวงพอ่อสะบมน้ําตาไหลพรากคนที่นั่งข้างๆผมของลูกกัผมของผูกพันกับหลวงพอ่ออย่างไงมานั่งร้องหยร้องไห้แก่ก็แก่แล้วแต่ความจริงผมไม่ได้ร้องไห้ด้วยความชุกครับผมร้องไห้ด้วยความปิติตื้นตันทีนี้คือครูที่ท่านจากเราไปท่านเขียนข้อความมาขอพวกเราอนุญาตให้หลวงพ่อตายคําพูดจึงแต่ไม่ได้ความหมายที่งดงามลึกซึ้งในชีวิตเป็นที่สุด ชีวิตของคนคนหนึ่งนะครับที่มีชีวิตอยู่เพื่อเกื้อหนุนเกือ้อกูลสิทธิ์และวันหนึ่งมาสังขารขอท่านจําเป็นต้องตับสลายเพราะนี้เป็นสภาวะทุกข์ท่านก็ยังขออนุญาตสิทธิ์เพื่อจะได้จากลาไปและความรู้สึกแบบนี้เป็นความรู้สึกที่ขอใหพรเราได้ปดมีความรู้สึกเชื่อมั่นเลยครับ ต, ตัวสภาวะทุกข์เนี่ยมันมีอยู่แต่ทํำยังไงที่จะสภาวะทุกข์นี้ไม่เกิดทุกขเวทนาคือความรู้สึกที่เป็นทุกขไอตรงนี้ครับเป็นโจทย์ที่เราจะต้องตีให้แตกและเป็นโจทย์ที่เราจะต้องทําให้มันเกิดความกระจ่าง ว่าเราอยู่ในสภาวะทุกข์แต่เราจะไม่เกิดทุกขเวทนาทุกขเวทนาคือความรู้สึกหวั่นไหวหวั่นกลัวเมื่อต้องอยู่ภายใต้สภาวะซึ่งมันเป็นทุกข์นะครับและความรู้สึกตรงนี้ครับเปลี่ยนแปลงได้เราเบิกบานได้ครับเบิกบานที่จะได้จบชีวิตและผมเข้าใจวันนี้คือความหมายที่สําคัญที่วันนี้เรามาราลึกถึงหลวงพ่อคําเขียนครับ